การเจริญกรรมาฐานเพื่อตั้งไว้ซึ่งความดีต้องการให้เรามีปัญญาแต่เป็นที่นาทิดได้บางคนระมึกแต่ความชั่วแล้วเหมือนเราจะทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าสอนให้ระมึกถึงความดีนะคุณตาคุณหน้าคุณย่าคุณลุงคุณพี่คุณน้องระมึกถึงความดีที่ทำไหวเชิด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 ในนาคตวันข้างหน้าแน่นอนที่น้องเราจะตายจากกันไปในโอกาสหนาแล้วท่านจะไม่เอาดีไปบางหรือชิง้งความดีไว้ลูกหลานท่านบังหรือเปลือกการได้ขอฝากให้ท่านคิดในวันนี้โดยทั่วหน้ากันอุตสาห์เสียสละเวลาทางบ้านท่านมาแล้วไกลแสนจะไกลตาอมาคิดแล้วคิดอีก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 ทางความทั่วมามากข่าสารตัดชีวิตมามากมายหลายประการท่าเราไม่รู้นั่นเองลูกเราก็ไม่รู้เรารู้แล้วก็อย่าทรรู้แล้วฝา่าฝืนขืนกระทพระพุทธเจ้าบอกว่าความผิดอย่างร้ายแรงความผิดที่ร้ายแรงคือรู้และฝา่าฝืนขืนกระทาแปลว่าร้ายแรงมากเป็นทิ้งกรรมในปัจจุบันนี้น่ะ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 อาตมาได้ยังจะเป็นเด็กมัธยมสามอย่าข้ามคนล้มอย่าไปข่มคนลู่อย่าไปขู่คนกล้าอย่าไปช้าคนผ่านอย่าไปวานคนร้ายอย่าไปขายคนรักอย่าไปกักคนคนอย่าไปกักคนรีบอย่าไปบียคนบอบอย่าไปชอบคนชั่วอย่าไปยั่วคนดีอย่าไปตีคนตายมีความหมายมานานแล้วนะบักนี้น่ะขอฝากให้จันคิดดูทั่วกัน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 หลพ่อผมกินเหล้าทางบานเมียผมก็กินโลกก็กินครับดีไหมครับโอ้ดีดีดีดี ด, ด, ด, เดีเห็นด้วยเห็นด้วยเฮ้ยๆยฮถูกวัดแล้วมากมากมากนี่คุยกันได้คุยกันได้ผมเี่นการพนันทางบานเลยครับเมียผมชอบเป็นหัวยสามตัวมีถามจริงเหเนี่ยชอบเป็นหัวยสามตัวไหมเนี่ย<อ>เดี๋ยวเห็นหนอก่อนอ๋อไม่มีใครเล่นเลยดีมากนึกว่าเล่นพรุ่งนี้จะให้ ออไม่เล่นเลยก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้แนละ้วเพราะไม่เล่นนี่ขอฝากไตเติ้วิธีสอนไว้ด้วยขอฝากคณาจารย์ไว้ด้วยอย่าไปขัดขอครับคนไหนกินเหล้าดีไหมดีดีดก่อนไปสอนชายแดนอย่าบอกกินเหล้ามาดีเล่นการพนัไม่ดีเดี๋ยวขอขาดนะดีไหมเจ้าคะ่ะดีเจ้าค่าถ้าเป็นครูอาจารย์ผู้หญิงนะ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 ไม่มีระบบเลยต้องมีระเบียบสินี่ยังมีเปนตอนนี้เหตผลที่นาฟังอย่าไปขัขคอเขาแต่เราสอนด้วยบัณฑิตสอนให้เขาคิดสอนให้เขาได้แนวอย่าไปว่าเขาการสอนลูกสอนนักเรียนอย่าสอนด้วยการด่าอย่าสอนด้วยการว่าต้องสอนแนะแนวให้เด้คิดใช้ชีวิตปฏิบัติทานี่อยู่ตรงนี้ขอฝากวระโยชนเทคนิคนไอ้ม่ใด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 มีเหตุผลนะการการแนะแนวแนะแนวต้องมีเทคนิคไม่ใช่ไปว่าเขาสอนลูกอะอย่าไปด่าด้วยสอนด้วยใช่ไม่ได้แม่ตากับลูกเสือด้วยโทสะตีลกูกเช่นนี้ไล่สาละขาดเหตุผลของท่านผู้ใหญ่วางฝากไว้เจ้าต้อพูดให้มันเลาะแล้วพูดต้องยิ้มเนี้ยอย่าหน้าบึ้งถึงจอลงกระโหลกคืดทัดทึนทัดเนะ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 ขอทั้งเตรียมตัวทุกคนพรุ่งนี้ตอบทีวีเขาต้องขามผ้าทุกคนนะเอาแน่แน่เตรียมไว้เลยอย่างคืนนี้เห็นจะนอนไม่หลับมะวิธีที่สองจริยธรรมของมัธยมศึกษาเขาต้องถามข้าผูกคณาจารย์ทั้งนั้น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 ไม่ได้นั่นคุณธรรมไปเอาใบกลางมาตอบไม่ได้ต้องเอาบอะต้องเอาเริ่มตรงเดี๋ยวก็นีน่นี่หลันไปลองที่วยีมเนี่ยนะเป็นอ้าวอ้าวอ้าวนี่นี่สองวันเป็นนี่ เ, นเขาจะให้เป็นนายกวันนี้เขาพูดขับเป็นนายกต่างเลย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 หนึ่งยืนลุกยืนรับถูกข้ามฌาหามาพระปาเจ้ามายืนพลึบยืนลุกยืนรับยืนคำนับผู้บงังคับปัะชาสะแสดงอุทานะต่อท่านผู้ใหญ่อย่าดิ่งดูดาวนี่นะพระไตรยดกมีไม่จะกราบอย่างผู้เจา้าสอนเวลาเราจะไปประเทศศรีลังกาจะมาไปประชุมมาแล้วพอพระเดินผ่านเนี้ยโยมเดินเนี้ยึบยืนหมดเวลาไปในรถยน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 ที่เบตนอนกราบที่เนี่เบตที่เบตนอนกราบถ้าเราลองไปเอาแบบที่เบตมานะเอาลองนะพรุ่งนี้นะพอพระผ่านมาทุกกราบอย่างงี้เลือกทำดูกราบแบบนี้ลองเลยเอาเลยลกราบแบบที่เบต ได้ไมมกราบแบบที่เบร์เขากราบอย่างนี้ถ้าเราไปกราบอย่างนี้นะนี่ใครละคนลองกราบดูนะขออ่อท่าจะเป็นเลยเฮ้ยอาลถไปเว้ยไปสีนัญยากันเยอะนี่นี่เหตุผลเนี่ยแล้วจริงกราบอย่างไรเจ๊ทําไมถึงยืนกราบฟังเหตุผล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 แล้วเราเราก็จะไปกินที่ไหนล่ะาอาย่ยืนไหมนะนี่เหตุผลที่น่าฟังนะคนจีนเขาลับไหวว่าตัา้งแต่พิษะเขาก็เยืนอย่าไปตำหนิเขานะอย่าไปตีตำหนิเขาอาตมาก็คนจีนนะเพราะเป็นดองก็เอาหมวยเขาต้องกราบลงพิษะลงมาเลยถูกต้องของเขา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 อย่าให้สวดมนต์ที่หน้าเสาธงนะบางวัดไปเห็นมันชัดเลยแต่ย่งไม่ออกซื้อโรงเรียนเด็กเข้าแถวแล้วขอร้องเพลงชาติชักธงลเลยตอนนั้นท่ามาจาวว้ า, า, า, า, า, มมมามุทรอภคว่โคชามปงวันําเพลเ็มี้สังคังนัมามีอะไรไปสวดมนต์ทาไมที่หน้าเสาธงนะขอะฝากขอออไปด้วยไม่ควรสวดควรสวดห้่ปไนระเบียบ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 เขาขัดก็สวยเหมือนไอ้ปากแตรไอ้แบบแตรเปล่าอ่ะมันสูงดีด้วยแต่กระถนสูงในทองพะโลงอะไรแบบนั้นเอามาปากรูปบ้วสวยเลยถามสมภารบอกนี่อะไรครับโอ้โหของเก่ากับหลวงพ่อโอ้โหเก่าแก่มากเลยเช่าวไว้หมื่นนึง่งอ่ะท่ารู้ไหมอะไรเนี่ยมันบอกว่าของเก่าโล่แค่ของเก่าถูกต้องของเก่าเขาใช้อะไรเขาใช้อะไรไม่รู้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 แล้วก็ไหว้พ่อแม่สามครั้งมาโรงเรียนนี่จริยาข้อตดนนโมสามครั้งมีความหมายมิใช่น้อยนี่เอานี้ได้ผลแน่เนีตมาทำมันได้ผลหนูไปโรงเรียนไหว้พ่อแม่สามลเพราะเด็กนี่สอนง่ายกว่าคุณแกสอนง่ายกว่าผู้ใหญ่เองใครเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสอนยากที่สุดมีสี่ประเภทท่านทั้งหลายอย่าโกรธตมานะ่ยตมาด้วยหนึ่งคือพระ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 ก็ทีบดีโยมไปเชียนที่พวกล่าให้เป็นลายครูของเราเองเมือ่อหลายก็หลายนี่สิไอตรงนี้สิไอตรงนี้สิไอตรงนี้พูดเล่นและจริงด้วยอาดับสองยาวาตมานะครูยาพร่องคือว่าตะกี้นี้อาตมาโดนด้วยนะไม่ใช่โยมยครูรู้แล้วไม่ค่อยชำ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 ตกเลยตกเลยอย่าไปเฉียงครูไปบอกไม่ได้เชียวครูว่าอย่างไงเจ้าข่าเจ้าข่าครับครับผมว่าอย่าหลวมไม่ใยนะถ้าหลวมไม่แย่เลยในเรื่องจริงพ อ, เ, อเห็นด้วยไหมน่ะมีพัาญาพ อ, อาจะเนียบเห็นด้วยไหมเออมีพวกแลบบ้วเจ้าข้าแหมแทบดีเหลือเกินเจ้าข้า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 นี่จริยะข้อต้นเขียวต้องเข้าถึงรัตนาไกรให้ได้และ ว, วิธีสอนต้องแยกออกประเภทให้สอนเด็กเข้าใจพระพุทธเจ้าคุยขาดจะไปบอกเจ้าชายชิตตาไอ้นั่นเป็นชื่อของด้านที่ท่านทรงเป็นพระมาตรการต้องพระพุทธเจ้าคือเสเม็จมักผลขมโพธิ ญ, ญาตไม่เห็นก็ความยากเหนื่อยพรวรกายสั่งสอนประชาชนตาทั้งข้างทางเดินทั้งคู่คือต้อนหลังพือปางนิพพาน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 แล้วเราปฏิบัติศีลก็ ว, ว่ากันไปพุทธังตรนงังกัจจามิธรรมังตรนงังกัจจามิตั้งตงังตนังกัจจามิณัฐทิเมสรนงังอันยั่งคูทโท่โธธัรมโมเมสั้งโคเมสรนงังวลงังเอเตนะสัจวัตเตนะโหตุเตชยมังพลงังที่พึ่งอื่นไม่มีผีกระเจ้าไป็ที่พึ่งไม่ได้พระาคณะใจเท่านั้นเป็นที่พึ่งได้ก็อธิบายไปเป็นข้อขอ้อนี่การเข้าชริยธรรมของเด็กเบื้องตอน้นต่อธิบายให้มันถูกต้องและเหตุผลที่เด็กฟังขึ้น ไม่ใช่ไปอธิบายเด็กไม่รู้เรื่องก็งให้เด็กเข้าใจเดี๋ยวก็อาจารย์ใหญ่จะเข้าใจผิดคิดว่าเด็กครูบรรจุใหม่ให้สอนสิ่งธรรมไม่จะสอนสิ่งธรรมแต่สอนง่ายนะต้องทำได้ด้วยนะต้องทำได้นะอาตามาได้ยิงข่าวเล่าลือจากโรงเรียนมากาครูใหมอสอส่สอนสิ่งธรรมไปสอนสิ่งธรรมไปเห็นสิ่งธรรมเป็นอะไรไปได้